วันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่อาตมาได้มีโอกาสมาพบกับท่านนักศึกษาธรรมะในนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายความเต็มธรรมะในด้านการศึกษาซึ่งเรียกว่าปริยัติธรรมนั้นเข้าใจว่าท่านทั้งหลายก็คงได้เรียนได้ศึกษามามากต่อมากแล้วก็ผลก็แห้ง ก็มีสถานที่ศึกษาอบรมธรรมะแล้วก็เรียนธรรมะฟังธรรมะกันมามาก <c oughs> บางทีก็เคยไปฟังเทศในวัดได้เจ้าประสงค์ท่านก็แสดงคำให้ฟังแต่ฟังฟังไปก็รู้สึกว่าแต่แล้วท่านก่อแสดงคำได้ความฝังคิดกะดานรายละเอียดละออดีมาก บางทีก็รู้สึกว่าสับสนจากต้ น, ตนทนปลายไม่ถูกไ่ทราบว่าเราจะยิดเอาอันใดมาเป็นหลักปฏิบัติเพราะปูดแสดงก็มุ่งที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจนั่นเองใครมีฟูนเพียงใดขนาดไหนก็แสดงออกอย่างเป็นที่เป็นความสามารถของตนเองธรรมะในคำภีเศษอะไรสิดกบ กล่าวกันว่ามีถึงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ไม่ใช่ของน้อยในคิดคิดคดูแล้วก็น่าหนักใจแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เราจะนํามาปฏิบัติอย่างไรถ้าเราจะเข้าใจธรรมะในหลักคำทีในหลักปริยัตินั้นมีมากมายกวา้างฟังแล้วเกิน แต่ถ้าเราจะสรุปให้มันสั้นๆเขาเราก็จะได้ความว่าธรรมะถ้าจะมีคำถามว่าธรรมะคืออะไรเราจะได้คำตอบว่าธรรมะคือกายกับใจแต่บางท่านถ้าใครบอกว่าธรรมะคือกายกับใจแล้วท่านจะเสียงคอเป็นเอ่นท่านะกายกับใจไม่ใช่ธรรมะมันเป็นสภาวะครั ทีนี้ในเมื่อพูดถึงหลักพระอภิธรรมจิเตเจตสิกโลกนิพพานพูดถึงโลกก็คือเรื่องของกายจิตก็คือเรื่องของจิตของใจนั่นเองแต่บางท่านก็ยังบังอาจว่าธรรมะไม่ใช่กายกัดใจแต่ความจริงถ้าใครจะถามว่าธรรมะคือ คืออะไรเราก็จะได้คำตอบว่าธรรมะคือใจสัจใจเพื่อจะทำความเข้าใจกับประดาท่านผู้ฟังทั้งหลาย <c oughs> ความหมายของคำว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเราพอที่จะแยกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้สองประเด็นเพื่อหนึ่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนได้เก็สนสมาธิปัญญา เซนสมาธิปัญญาที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นที่จะมีได้ในสมัยสมัยที่พระพุทธเจ้าอุปัสเกิดขึ้นในโลกเท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นอย่างดีก็มีกระถ่อนกระแท่นไม่เป็นหมวดเป็นหมูไม่เป็นระเบียบไม่พอที่จะจับเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดําเนินจิตไปสู่มรรคผลนิพพานได้แม้แต่การทําสมาธิภาวนาก็มีมาในสมัยก่อนพุทธกาล ในพจประวัติก็ยังมีหลักฐานเด่นยันอยู่ว่าเมื่อทันชายสิทธาภิเ็จออกบัพพชาในระยะแรกก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอุตกาดาบทและอาราระดาบทอันนี้ก็สอดแสดงว่าหลักการปฏิบัติสมาธิมีก่อนคุทธการแต่ในตอนนี้จะยังไม่พูดถึง หลักธรรมะที่เป็นคำสอนก็คือศีลสมาธิปัญญาดังที่เราได้ยินได้ฟังกันมาอันนี้เป็นหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่นี้ธรรมะอันเป็นฝ่ายสภาวะธรรมจนได้แก่ใจกับใจนั้นนอกจากจะได้แก่ายกับใจแล้วยังมีสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อม สิ่งที่เราประสบอู่เป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเป็นเรื่องของสภาวธรรมทั้งนั้นโดยที่สุดแม้พิทาความรู้ที่เราเรียนมาไม่ว่าศาสตร์ไหนสาขาไหนทั้งนั้นเป็นเรื่องของสภาวธรรมเรียงความได้ว่าสิ่งใดที่เราสามารถรู้กันด้วย จ, จิตใจสิ่งนั้นคือธรรมะทันเป็นสภาวธรรมเรียกกันว่าธรรมะทั้งนั้น ถ้าเราทําความเข้าใจในคําว่าธรรมะคําสั่งสอนในสองแง่สองประเด็นทั้งที่กล่าวมานี้เราจะเข้าใจแจ่มแจ้งจือด้การเรียนธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะการเรียนธรรมะก็คือเรียนให้รู้เรื่องของกายแลใจการปฏิบัติธรรมะก็ปฏิบัติสื่ที่กายแลใจไม่ใช่สี่อื่น เช่ยนอย่างกายเวทนาสิทธิธรรมในหลักมหาเสด็จก็สิทธ์สถานก็เป็นเรื่องของกายกับใจโรคเวทนาสัญญาสังขารยินรรญาณในหมวดเวชขันธ์ธรรก็เป็นเรื่องของกายสัตวใจเรื่องปิติเจชโมบาทก็เป็นเรื่องผรมัตเป็นเรื่องของจิตใจกับเรื่องของกิเิสก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจทางนั้น ในใกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่เราจะเรียนให้รู้ก็จะในหลักของพระไตรลักษณ์เพื่อแสดงว่าอย่างมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยตลอดเวลาแม้แต่ความคิดของเราขณะนี้ก็ยังรู้สึกเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงของความคิดเราพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าอ น, นิจจคือความไม่เที่ยง ความไม่ทรงอยู่ตลอดการของความคิดพระองค์บัญญัติว่าทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ความที่ความคิดันนั้นดำรงอยู่ตลอดการไม่ได้พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอนัตตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะเกิดเป็นไปไม่ว่าอะไรทั้งนั้นที่มีอยู่ในโลกในจักรวาลนี้ โยนในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นสิ่งใดที่เราปารธนาไม่สมหวังก็อนิจจ์ปารธนาแล้วสมหวังภายหลังมีอันเสื่อมโทรมไปก็อนิจจ์ไม่ว่าอะไรอะไรทั้งนั้นที่เสร็จไปโดยที่เราไม่ชอบใจเราถือว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นแม้แต่กฎของนักพิเศษศาสตร์เขาก็ว่า ในจักรวาลนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อนนปรมาโูจนกระทั่งมวลสารที่ก่อกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตกฎธรรมชาติของเขาก็มีปรากฏการขึ้นในเบื้องต้น้องตัวอยู่ทั่วขนาดหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวอันนี้คือกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมที่จะเกิเป็นใจใต้จิใจของเราก็เป็นสภาวะธรรม เพราะกายกับใจของเรามีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงอันนี้มีมาตั้งแต่เกิดคนเราเมื่อเกิดมาแล้วมีความเจริญเติบโตเติบโตด้วยเนื้อหนังเติบโตด้วยวิชาความรู้เติบโตด้วยตำแหน่งการงานเติบโตด้วยทักสมบัติหลักฐาน ความเจริญสิ่งนี้คือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้จำไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ความไม่เที่ยงในท่าข้างฝ่ายที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั้นพวกทุกคนชอบแต่ถ้าหาก ว, ว่าในตรงกันข้ามทางร่างกายก็เจริญเติบโตไม่เต็นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บกระจอกงอคอยด้วยทางความโตก็ไม่สมบูรณ์ เร่อยากจะเรียนมันสมองก็ไม่ให้ไม่อำหนวยทำงานทำการไม่สมระสมผิดพลาดหลักฐาน ง, งอนแงน่ความแปรซิงทั้งหลายเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปนในข้างฝ่ายเสือ่อมเลียนทั้งข้างฝ่ายเสื่อมก็เรียกว่าอันนี้จังเหมือนกันไม่เสี่ยหมือนกันแต่สิ่ในใดที่มันเปลี่ยนแปลงในข้างที่เป็นข้างฝ่ายเสือ่อมทุกคนไม่ตอ ที่เราไม่ชอบเพราะว่าเรายึดสิ่งนั้นว่าเป็นของของเราควรจะเป็นไปตามความต้อ ง, งการของเราแต่โดยธรรมชาติแล้วมีหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามความปรารถนาของเราทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ในแต่การ ง, งานที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันบางที่้ก็ิดได้เหมาะไปวาที่ตั้งเอาไวด้ดีๆบางทีประสบอุบัติเหตุระเบิดขึ้นมาก็ได้ สิงทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่ความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมเท้งนั้นอันนี้เป็นการดูความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันโดยอาศัยคาดที่ว่าสภาวธรรมเกิดกายกับใจสถานการณ์ในสิ่งแวดลอ้อมมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอยู่ทุกลมหายใจเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิต และเราก็ได้รับความดีใจเสียใจได้รับความสมหวังจิีดหวังเสียทุกขณะจิตเช่นเดียวกันท้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอาศัยว่าเราแยดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของของเรานั่นว่าเราแยกทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของของเราของของเรามีอันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราไม่ชอบเราก็เกิดทุกข์ที่เราเกิดทุกข์ก็อะไรเพราะเราขาดสติสัมปชัญญะ ประการหนึ่งแล้วเรายังไม่รู้ซึ้งเห็นจริงตามกฎของธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราพูดได้เราคิดได้แต่ว่าจิตใจของเรามันยังไม่รู้ซึงเพราะเรายังขาดสติเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจึิงต้องอบรมสติสมัมปชัญญะตัวนี้ให้มีพลังงานเข้มข้นขึ้นเพื่อจะได้สร้างธรรมทภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะต่อต้านสังเตุการต่างๆหรือสามารถที่จะรับสารสภาพจิตให้ดำรงอยู่ในความเป็นปกติได้ตลอดตั้งดังนั้นตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาท่านจะมีอุบายที่ซือใหญ่ๆรับการฝึกจิตเรียกว่าอบรมหรือปฏิบัติสมาธิ ที่เราเข้าใจโดยโทษโทษไปก็คือการปฏิบัติสมถะกรรมฐานยิปัตสนากรรมฐานนั่นเองทีนี้เรามาโทดถึงเรื่องการปฏิบัติสมถะกรรมฐานยิปัตสนากรรมฐานเมื่อจะโท่นี้ก็มีผู้มาถามเรื่องสมถะยิปัตสนากรรมฐานเราเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเจริญยิปัตสนากรรมฐานได้ในช่วงใดในขณะใดของจิต อันนี้เป็นปัญหาที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีที่พัฒนาก็ดีเป็นแต่เพียงวิถีการโทษที่ปฏิบัติด้วยวิธีการเท่งกระสินแล้วการบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามวิถีของสมถะ โทษที่ปฏิบัติโดยการใช้ความคิดพิจนารณาในสิ่งต่างๆ ท, ที่เราสามารถจะนํามาพิจนารณาได้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะหรือเราจะกําหนดรู้สิกคอยดูความคิดที่จะเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นๆแล้วทำํำสติตามรู้ความคิดได้เชื่อว่าเป็นาการปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนา ทั้งวิธีการของวิสมมาถะโดที่ปัสจนาทั้งสองอย่างนี้จบมุ่งโจทย์ให้การทํสิิให้มีความสงบเป็นสมาธิเพื่อจะได้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจึงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแต่โดยเนื้อหาความเป็นจริงแล้วทั้งวิธีสมมาถะทั้งวิธีสธัจจณ า, ธาธปัสจนา ตอนนี้ที่การฝึกอบรมสมาธิด้วยกันทรั้งนั้นในแรกเด็กมีความสงบเปนสมาธิ่งไปเพระการปฏิบัติสองแบบนี้สองที่สี่นี้ภาะทัดที่เป็นสมาธิมีแนวโน้มนเป็นอยางเดียวกันต่างแต่ที่สี่การถ้าหาท่านจะทําความเข้าใจว่าสม า, าธิาข้ดีที่ปััชนาก็อดีเป็นแต่เพียงที่สี่บาทเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําสมาธิให้ได้สมาทาได้ทานได้อย่านได้ถึงจะได้ิสัทธ์ศาสนาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นข้าวืะไรทดสอบดูได้ตนเองในบาครั้งเราตั้งใจว่าจะคอยดูตั้งภาวนาพุทโธบุทโธทำนที่แให้สงบพอเป็นที่สบายเท่านั้นก็พอแล้วจะเอาไปเปี่ยนแปลง แต่เมื่อทำลงไปเต็มๆแล้วก็พอก็โอไปพอี่สงบลงไปแทนที่เขาจะเป็นนิ่งเฉยๆเสร็จราบเจอความติียข้งธทกันนายญะนาเพกเหตุก็ต่บการจริงมันเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งตั้งใจพิจารณาอันนี้กาททบทั้งอนัตตารุเปยตาลัญญาสัญญาสัญญาสิญญาไม่เชี่ยงแต่เป็นท้ายอยากจะให้เส็จบนดตาวข้าไปสู่ทางแห่งวปัสนา ก็มันสงบตรงไปแล้วมันก็ไปเล่นสวัสดิ์เฉยๆไม่เว่าติดตันในความเต็มๆมันเป็นแบบนี้เข้าใจเรามีการคิดเห็นขัดแย้งกันสมาธิเตือนอย่างไรที่ศาสนาเตืออย่างไรกันหนึ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนายัางไม่สึ้นัฒนเข้าใจว่าคงจะไปเล็ดเอาแบบตำรับตำรามาขัดแย้งกันมากกว่า เพราะเราะนั้นถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พลนธรรมเป็นที่สบายใจหรือให้ได้ปติปัญญาสําหรับแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันของท่านได้อย่างแท้จริงอยากจะขอบอกว่าเลิกเชื่อคนอื่นเชื่อถ้าไม่เชื่อคนอื่นแล้วไปเชื่อใครเชื่อตัวเองซิ อย่งางก็มัว่าท่านจะตั้งใจบริกรรมภาวนายกนอทองน้อยสัมมาอ阿ะหังโคโธก็ดีท่านยึดหลักอันใดเป็นหลัก บ, บริกรรมภาวนาก็เอาสิ่งนั้นอย่างจึิงจังลงไปไม่ต้อไปหยุดนอดวางนร่องหยุดนอดวางนร่แต่บริกรรมภาวนาก็บริกรรมภาวนาก็โธก็โธก็โธไปจนกระทั่งจิตมันบริกรรมภาวนาเอนโดยไม่ต้องตั้งใจ เดินเินนั่งนอนรับทานดื่มทำเว้นแต่เวลาพูดกัดคิดจะท่องพุทโทไว้ประจำจิตทุกลมหายใจก็ยังได้นอกจากจะท่องพุทโทแล้วเรายังสามารถจะท่องยกหนอปองหนอสัมมาอารหังได้ทั้งนั้นตามที่เราเข้าใจกันสายการปฏิบัติสมถะวิปัสนาอันเป็นสายใหญ่ๆก็เป็นสายพุโทโธยกหนอปองหนอสัมมาอารหัง ในบางครั้งบางท่านบางอาจารย์ก็นาเรื่องวิธีการเหล่านี้มาขัดแย้งกันบางทีก็ภาวนาโพธิ โ, โทก็ได้แต่เพียงสมถะเท่นั้นแหละยกน้องปองน้องก็ได้แต่เพียงสมถะแค่นั้นแหละฟังฟังดูแล้วมันก็ออกจะสับสนอยู่ทีนี้ใมื่อมันในความสับสนแบบนี้ มันก็ทำให้เป็นที้หนักใจเป็นผู้ลังเลสงสัยของผู้ที่กาลังเริ่มจากตั้งต้นปฏิบัติใหม่ไม่ทราบว่าจะเอาตามแบบของใครสำหรับในโอกาสนี้อาตมาขอยืนยันว่าเล็กแบบควต้องใช้การได้ท้งนั้นที่นั่งฟังอยู่เวลานี้บางท่านอาจจะปฏิบัติมาแบบสัมมาอาหัง์บางท่านอาจจะโพธิ์โถง บางท่านอาจจะยดหนอปองหนอพกแบบดังที่กล่าวมานี้ใช้การได้ทั้งนั้นขอให้ท่านเอาจึ่นเพียงอย่างเดียวแบบแลววธีการดังที่กล่าวมานี้จะใช้การไม่ได้ก็ต่อเมื่อท่านไม่แน่ใจถ้าหากว่าท่านจะแน่ใจจะเอาแบบไหนก็นไหนนอกจากคาว่ายกหนอปองหนอพุทโธสัมมาอาระหัจะเอาแบบไหนคําไหนได้ทั้งนั้น แม้แต่ว่าขณะ น, นี้ท่านอาจจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ที่บ้านนั่งฟังเทศแล้วใจมันกอบแวบไปคิดถึงคนอยู่ที่บ้านเอาชื่อของคนที่บ้านมาบพลิรัมภาวนาเสียเลยแล้วมันก็เป็นอบายที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้ถ้าเราเอาจิ่งอย่างในบางครั้งบางทีก็เทศน์นมไปภาวนาอยู่ในป่าจิตมันม่ตกถึงเจ้าสาว ภาวนาเพทรทอร์สักเท่าไหรมันไม่อยู่มันเิ่งไปเรียกชื่อของคนที่มันเชื่อถือคนที่มันชอบลองผลัวไทยเอาชื่อของเขามาบริกรรมภาวนาไดเลยแต่็จ้วมันก็ทําให้จิตสงบใช้เพราะมันติดอยู่แล้วพอไปเล็กถึงสั ก, กะเดี๋ยวมันก็ติดติดแล้วมันก็เกิดความสงบปล่อยวางสิ่งอื่นหมดสามารถที่จะสร้างพโลภาพขึ้นมาเป็นภาพในนี้น มองเห็นผู้ที่แล้ะลึกถึงนั่นเป็นตัวดืนทำงานไปต่อหน้าพราะอาศัยคานที่สิดในคานสงบันพัดไปที่ตรงไหนเนื้อหนาง ม, มันพังลงไปหมดลงจนสุดท้ายจังเหลือดเสร็จโครงกระดูกเน้มันท้าว่าอืคนสวยนี่โรงกระดูกมันก็สวยพอท้าไปโรงกระดูกมันก็สลายสูวไปไม่มีอะไรเหลือ นักภาวนาท่านนั้นก็ได้สตกสัมปชัญญะเมื่อตื่นจากเขาวังจากสมาธิมาแล้วก็ได้สตกปัญญารู้ขึ้นมาว่าเราจะเอาความรักไปวางไว้ที่ไหนคนที่เรารักนั่นมันสลายตัวไปแล้วมันหาตัวหาตนไม่ได้เราจะเอาความรักของเราไปวางไว้ที่ไหนมันไม่มีที่หลงรับแล้วพอเสร็จ แ, แล้วมันก็ได้สตกปัญญาแก้ไขปัญหาจิตใจของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเรื่องหลักในวิธีการภาวนาเนี่ยท่านผู้ใดเลือ ด, ดหลักในแบบไหนเป็นหลักการบริสัมภาวนาหรือพิจารณาก็แล้วแต่ให้เลือดหลักของท่านให้มั่นคงอย่ามัวไปเพื่อแต่คนอื่นพระพุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวออกตัวว่าอาขาตาโรสัทธาทตาข้าสัาพคเจ้าเป็นแต่เพื่อมผู้บอกเท่านั้น แล้วเช่นสาวกในสมัยปัจจุบันนี่ใครเอ่ยจะสามารถมาประกาศท้าทายว่าท่านสามารถที่จะสอนคนให้บหรรลุมรรคผลนิพพานได้เร็วไวแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ะยำออกตัวอยู่แล้วใครจะไป้เ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยชาวมานก็ได้พูดมาบางทีมันอาจจะออกนอกประเด็นไปไปแล้วถ้าทั้งหลายมุ่งที่อยากจะได้หลักการปฏิบัติ์มีผู้มาถามว่าวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไร ก็ให้ทำต่อไปว่าจะโปรดเรื่องการทำสมาธิในชีวิตประจำวันหรือเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันการทำสมาธิเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเรามีหลักการที่จะเื่นเรื่องเป็นหลักปฏิบัติใกล้ถึงสามแบบแบบที่หนึ่ง ขอให้ท่านพยายามปึกหัดทำสถิตตามประวัการเดินเดินนั่งนอนรับทานตื่นทำพุทธิทุกลมหายใจไม่ว่าท่านจะขยับไปทางไหนให้มือสติตเลื่อยมือทำก็ถือว่ารำสถิตและเล็โลงสุดๆของเราวารที่เราจะเดินไปไหนมาไหนทำสถิตและเล็กลงสุดๆโน้ยกลึ่มสุดๆเรื่อย แต่อยางท่านตั้งใจว่าจว่าจะเดินมาทํางานถ้าใจมีความตั้งใจกาหนดจะตื่นรู้สึกจรดจุดนั่นท่านตั้งใจทำให้ตื่นรู้สึกดแล้วท่านเ้าขาเดินจุดเขาจอมรู้เพาจุดเป็นผู้สั่งให้เดินว่าท่านจะจุดจุดยอมรู้เพราจุดเป็นผู้สั่ให้จุดเวลาท่านเดินจุดยํารู้เราะจุดเปนผู้สั่งเวลาท่านนั่ง สุดโล่เมื่อสุดเติมโพสตสั่งเริ่มนอนสุดโลกเมื่อสุดเติมโพสตสัการรับทานดื่มทำพูดสุดกระสือเรือดสันจสุดเข้าเป็นผู้รู้เติมสุสั่งไอ้นี่มันเป็นเรื่องของสื่อจิประจำวันเติมเริ่มนอนรับทานดื่มทำพูดสุดมันเป็นภาระจำยอมที่เราจะต้องทาอยู่แล้วบ่อยๆเลาไอ้นี่มันเป็นสิ่งที่เราหลุดเรื่องไม่ได้เราสวยโอตัดสัดขาดทำสุดโล่ตามซึ่งแบบนี้ เปิดผัดท่านถือโน้ตามโน้ทุกวาระจุดพุกลมหายใจได้ซสุดๆการเปิดสมาธิแบบนี้ท่านอาจจะไม่ต้องเสีอเวลานั่งไม่ต้องไปนั่งเข้าห้องส ม, มาธิ7วัน -15 วันเพียงจะเกิดท่านถือตามโน้ตการเดินเดินนั่งนอนรับทานหดือทำผุดจุดทุกลมหายใจเท่านั้น การปฏิบัติเพียงแค่นือก็การชื่สึกจะสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงจะมือได้ไหมแบบเมื่อไหรโดยลุใส ข, ของโปรดสึกผัดทำสถิตตามโลถึงดังเปล่าเมื่อเวลาก็นอนลงไปคนเราจะนอนหลับตึ๊ดเลยทเดียวไม่ได้ก่อนทุตจหลับก็ต้องมีการชื่นโน่นชื่นนี่ชื่นตาผัโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งท่านทั้งหลายเป็นนักธุรกิจ จะมความิดสับสนภายในสมองก่อนที่จะนอนหลับทุกข์ตนเมเกิดมีความคิดสัสนเกิดเช้นเราฝึกทำทุกขตามโลกความคิดพือกาลังทุกข์ตื่นในขณะนอนทำจิตตามโลกความคิดไปจนกว่าจะนอนหลับในทางกลั้งเมื่อหลับหลับแล้วก็หลับเมื่ออย่างธรรมดาแต่เมื่อสัมผัสนานเท้า กาเกิดความหลับพักลงไปสึกแต่สมอเป็นสมาธิมื้อปันสว่างสบายเู้สึขึ้นดังตัวอย่างโดยบางท่านที่อยู่ในพระราชัเนอเขาจะนัะ <c oughs> ่งเพลิดเพลินอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวเขาบอกพระปัจฉมาว่าอยากจะทาสมาธิแต่ไม่มีเวลานั่งจะทำอย่างไรก็แนะให้เขาทำจติตตามดู้ใจดูเนืนเนั่งนอนนัดานหน่ทําเพจิตกอยนางหายต่ เวลาแรกสุดข้าววันแรกเขารายงานผลไปว่าเวลานึสบายมากแต่สุดทำหน้ามือตามรตามเดิเดิเน่นอนนัดทำหรือทำพูดพึ่งเอ่งโดยไม่ตั้งใจหลังจากนั้นอิสึดข้าววันเขารายงานผลไปว่ า, มาเมื่อเช้ามือพนอนหลับลงไปแล้วสึกเนสมาธิสว่างใสแลวปรากฏว่ามือกายอันหนมนเดินออกจากาจเดิมไปเพื่อปฏิบัตาเข้าปฏิติช้า แล้วจะเดินเพื่อนไหลุมฝังศกหรือภาพหนึ่งภาพตกลดขึ้นมาจากหลุมฝังตกแล้วมากระโดดศเขาไปสลัดชอาสลัดชาศพออกไปแล้วเอามือไปดอคอชาศพนั้นดูเนื้อหนังมันเดนขึ้งซึ้นสั่งซึ้งจนกระทั่งหมดพอโดนซึ้งซึ้งสุดท้ายแล้วทุกซึ้งย่างหายสมุดจังหวะสุดสึกสงบสลาดสลัดลอยลื่นทุกคนน่าตาใ อือสะทัดหนึ่งร่างคนเขา้าร่างเดิมคนเข้าปราบตัว้นมาให้เห็นแล้วก็มาแสดงอาการต้นเอืดเ น, น่าเตลิดทำจนกระทั่งสลายตัวไม่มืออะไรเหลือพอสุดถอนากสมาธิมาพอ ร, รู้จึดก้อนนาสัจุดมันก็ตัวตายเมื่อตัวเอิญังว่าเมื่อเจการตายตายแล้วก็เจ้าเน่าเน่าแล้วก็ซึง อ, อาประตูซูได้จุด แล้วเมื่อสลายตัวไปก็แอกส่วนออกเป็นน้ำนมไปพ้ายขาดบุนคคลตัวตนเราเขาในร่างไม่เหมือนมืเอเต่าคสื่อน้ำลงไปคงกันอยู่เท่านั้นก็เป็นเหตุให้เขาโรคหนึ่งโรควานตายสองโรคอัตถ่รรมฐารสามโรคธาตรรมฐานสื่โรคอนัตตาในอแต่ในร่างกายอ ข, อของตัวตน ก็เข้าถึงว่าร่างกายหรือสัตว์แต่ว่าธาตุสื่อหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ได้มันก็รู้อนัตตาเท่านั้นเองเมื่อคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยเพิ่มแต่ทำสติตามโู้การเาดินเรียนนั่นนอนรับทานเดินทเพูดคุยเท่านั้นดังสามารถสติบัตย์ทำโลดทำเดินทำได้ขนาดนึง่งในหลักมหาสติสถานก็คือการเจริญสติสัพภะ เดินเดินนั่งนอนรับทานเดินทำสุดเพื่อทะสุดตามรู้สุดเพื่อขนะจสุดเป็นการปฏิบัติสมาถะด้วยศาชนาสมาถานแบบศาสนโดยไม่มีอุปสรรคใดเลมาขัดข้องเมื่อพระท่านทั้งหลายขนาดส่ดทางานดุเอางานสุดทําในปัจจุบันเป็นอารมณ์เสือนหนังสือเอานการเสือ น, นังสือเป็นอารมณ์ ทำอะไรอยู่เอาถึงนั้นั้นเป็นอารมณ์เรื่องไจะทำะติสัมผัสเข้าให้พัดเกิดเงอนไตรของนั้นอื่นเป็นการปฏิบัติธรรมได้พุขณะจิตอันนีเป็นฤทธิ์คือการอันหนึ่งเทธิ์คือการพทธิ์สองอาศัยการบริกรรมภาวนาตัดการกําหนดตามตรงตามจิตฤทธิเคือการก็ถืว่าถ้าหากว่าท่านมีการไหว้ท่าสวดมนต์เจริญเมตตา เลยเจริญสมมูลฐานก็ทําตามจิตวิทย์ที่เคยทำพอจะแล้วจะนั่งขัดสมาธิหรือนั่งเต้าหรืออะไรตามสบายแล้วประเนสในใจท่องบริกรรมคาถาอันใดอันหนึ่งไว้ในใจจะเป็นคําว่าพโพธิโธก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่ท่านถนัดแล้ววันด้าในใจถ้าตั้งใจท่องบริกรรมภาวนาอ ย, อย่างนั้นเช่นพธิโธโพธิโธโพธิโธโพธิ์โธจน ถ้าว่าใจท่องท่านจะดูกับพุธโทตลอดชื่อสืดๆเที่ยงโมงก็ต่อยให้มันดูไปท่างพุธโธจนกระทั่งรู้สึกว่าใจของเราท่องพุธโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันก็เนตถึงพุธโทรเองชาตรีก็าตามรู้เองก็ทุก อ, อย่างมัดพรอ้อมเป็นอัตโนมัติพอเหมาะพอดีแ ล, แล้วใจจะท่องพุธโทรจะ อ, อย่าแม้ตลอดเวลา ก็ปล่อยใหามันท่องอยู่อย่างนั้นแม่จิตจะยังไม่สงบมีตีติมีความปุกอะไรเกิดขึ้นกะตามเอาผนเพียงแค่ว่าถ้าใจของเรามีที่ยึดถ้่อย่างหนึ่งอย่างเหียวแน่นมันเป็นอุบายที่ทิงที่จะาพาความที่ที่วุ่นวายเข้ามารวมอยู่จุดเดียวคือพุทโธ